พระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นความนับถือเรียกว่าความเคารพสักการะของมนุษย์เหล่านั้นแล้วก็ประกอบพระภิสุสงฆ์ไว้ในฐานะเป็นผู้เคารพในบิณฑบาตเมื่อเธอเอ่อพวกเธอทั้งหลายเมื่อเขานับถือพวกเธออย่างนี้แล้วเนีย่ยนะเธอควรปฏิบัติให้เหมาะสมสมควรแก่การแก่ควรแก่อะไรสักการะเคารพและนับถือเรียกว่าตั้งเอาไว้ในความเคารพบิณฑบาตคือบางทีนั้น พระพิสูตรที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยนะอาศัยเหตุผลว่าเคารพบินทบาตเคารพในปัจใจสี่ที่ผู้ที่เขาทําบุญมาเนี่ยนะก็บอกว่านี่ที่เขาทําบุญให้ทานมาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นญาติเลยเนี่ยนะเขาไม่ใช่เป็นคนที่รู้จักกันมาก่อนเลยแล้วก็เขาไม่ใช่ว่าเราเนี่ยเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่เขามาก่อนหน้านี้เลยแล้วเขาให้ทานหรือเขาทําบุญเสร็จเขาหวัง หวังให้เราไปช่วยการช่วยงานหวังที่จะไปทำอย่างอื่นก็ไม่ใช่โดยที่แท้เขาให้ด้วยใจที่เลื่อมใสเคารพในความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเชื่อว่าบุคคลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นนาบุญเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยเห็นว่ า, เ, าเขาเนี่ยนับถือด้วยนับถือว่าเป็นนาบุญเพราะฉะนั้นสมควรที่จะประพฤติปฏิบัติตัวให้คู่ควรแก่ ความเป็นนาบุญเพราะฉะนั้นก็ตั้งความเคารพในยำเกรงในบินทบาทเนี่ยนะว่าเขาเนี่ยเขาทําด้วยศรัทธาเนี่ยนะปัจจัยสี่เป็นต้นที่เขาได้มาก็ได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายได้มาด้วยความเหนื่อยยากลําบากเปื้อนคราบเหงือ่อคราบเลือดและน้ําตาเนี่ยนะงานแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยถ้าอย่างอาชีพโดยทั่วไปเนี่ยนะถ้าไม่มีแอร์เนี่ยทั้งใส่จะเหงื่อท่วมกันทั้งวันอ่ะนะทุกคนที่จะเหงื่อท่วมก็สังเกตดูวันไหนถ้าถ้าคนที่ทํางานในห้องเย็นเนี่ยนะ ห้องแอร์เป็นต้นถ้าวันไหนไฟดับก็เหงื่อท่วมเลยล่วละว่างั้นนีไม่จำขนาดในร่มยังเหงื่อท่วมจะกล่าวไปยายถึงกลางแจ้งทั้งหลายเนี่ยนะอาชีพบางอาชีพเนี่ยนะได้มาด้วยความเหนื่อยยากลำบากบางครั้งก็เสียอกเสียใจกว่าจะได้ปัจจัยสี่มาเลี้ยงตนให้เป็นสุขเป็นต้น บางอาชีพบางสายงานเนี่ยจะต้องเปื้อนเลือดเปเื้อนเหงื่อและก็น้ําตาเนี่ยนะคลุกคล้ากว่าจะได้ปัจจัยสี่เหล่านั้นเนี่ยนะกระ ว, ว่ากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟเป็นต้นเมื่อเขาได้ปัจจัยสี่เหล่านั้นมาแล้วเขาก็ยังน้อมว่าพระพิสุทรงทั้งหลายเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยนะเป็นผู้ถือธงชัยแห่งพระอาหารหันต์เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาเมื่อเขาเคารพเลื่อมใสศรัทธาแบบนั้นแล้วทําไมต้องทําปัจจัยสี่ให้เขาของเขาให้ หมดคุณค่ า, านะเพราะว่าถ้าหากว่าเขาเอาไปทำบุญกับคนที่ไม่เป็นนาบุญปัจใจสีกของเขาก็ไร้คุณค่าเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนอย่างว่าถ้าทำบุญกับผู้ที่มีศีลมีกัละยาณธรรมผลบุญก็หาประมาณไม่ได้ถ้าให้ทำบุญให้ทานกับผู้ทุศีลมีปาประทรนะมีเป็นคนที่มีใจเป็นบาปหรือว่ามีความปลามกในภายในเนี่ยนะ บุญเหล่านั้นก็จะไม่มีผลมากไม่มีอานิส ง, งออส์มากก็อยู่ที่ว่าการทําบุญให้ทานจะมีผลมากหรืออานิสงส์มากก็อยู่ที่ว่าผู้ที่รับนั้นอ่ะเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมหรือไม่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเธอทั้งหลายไปที่ไหนพวกเธอก็มีชื่อว่าสมณะใครถามว่าชื่ออะไรก็บอกว่าชื่อสมณะเมื่อเป็นอย่างนั้น บทว่าเยธรรมมาสมณกา ร, า ร, รนาจะบรมณการนาจะความว่าทำเหล่าใดอันบุคคลสมาถานให้บริบูรณ์แล้วทําให้เป็นสมณะมีบาปประธรรมอันสงบทําให้เป็นพราหมณ์มีบาประธรรมอันลอยแล้ว <c oughs> คือความเป็นพราหมณ์ความเป็นสมณะเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาผ้ามานุ่งมาห่มแล้วจะได้เป็นพรามเอาผ้ามานุ่งมาห่มแล้วจะได้เป็นสมณะไม่ได้หมายความว่ายอย่างนั้น หมายความว่าพวกเธอต้องประพฤติปฏิบัติในคุณธรรมที่จะทําให้ความเป็นสมณะเนี่ยนะต้องสมาทานข้อปฏิบัติให้บริบูรณ์จึงจะสําเร็จองค์คุณแห่งความเป็นสมณะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัธรรมอันสมณะควรปฏิบัติหรือควรกระทําเอาไว้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายกิจของสมณะอันสมณะพึงกระทําเหล่านี้มีสามอย่างสามอย่างเป็นไฉนคือการสมาทานอธิศีลสิกขา การสมาทานอธิจิตตสิกขาการสมาทานอธิปัญญาสิกขาสิกขาทั้งสมอย่างเหล่านี้ก็ชื่อว่าธรรมที่กระทําให้เป็นสมณะเนี่ยนะถ้าว่าย่อๆก็คือศีลสมาธิปัญญากองแห่งศีลกองแห่งสมาธิกองแห่งปัญญาการศึกษาเรื่องศีลเพื่ อ, อการศึกษาเรื่องสมาธิปัญญาเนี่ยนะการสมาทานประพฤติปฏิบัติในอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญานี่แหละคือคุณธรรมที่ทําให้สงบราคะ เพราะสมณะคือผู้ปฏิบัติเพื่อสงบราคะสงบโทสะและสงบโมหะถ้ากล่าวแบบย่อๆสั้นๆเนี่ยนะก็คือการสมาทานประพฤติปฏิบัติในสิกขาสามประการทีนี้สิกขาสามอย่างมาขยายแบบพิสดารได้ไหมมาขยายได้แต่ในมหาอสสะปุรสูตรพระพุทธเจ้าจึงกล่าวถึงข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นสมณะอย่างบริบูรณ์เนี่ยนะ โดยยกฮริโอตปะเป็นต้นเป็นประธานเพราะถ้าหากว่าเมื่อพวกเธอปฏิบัติในคุณธรรมที่สร้างความเป็นสมณะปฏิบัติคุณธรรมที่ทําให้สําเร็จความเป็นสมณะปัจจัยสี่ที่เขามาถวายก็จะมหัพร า, ามหมณิสังสารมีผลมากมีอนิสงส์มากแปลว่ากําไรดีเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นผู้ที่สมควรแก่การลงทุนใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเป็นนาบุญ คือเรียกว่าลงทุนกับผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบอคือเรียกว่าเป็นการลงทุนที่มีผลมากมีในสงมากมีกําไรงามเพราะประพฤติดีและปฏิบัติถูกต้องเรียกว่าก็เหมือนกับแบบทางโลกเขาว่าเลือกบริษัทที่ตัวเองต้องไปลงทุนใช่ไหมไปร่วมลงทุนในบริษัทนั้น น, นถ้าบริษัทนั้นๆเนี่ยประพฤติดีมีกําไรดีกําไรงามก็แปลว่าทําให้ผู้ลงทุนนี่ได้รับกําไรอย่างมากฉันใดผู้ที่เข้ามาประพฤติดีปฏิบัติชอบ ประพฤติตามทำตามวินัยทั้งหลายก็ฉะนั้นเหมือนกันยังทายกทั้งหลายผู้สนับสนุนเนี่ยนะผู้ที่สนับสนุนเกื้อกูลด้วยจีวร อ, อาหารที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคทั้งหลายเป็นต้นเขาเหล่านั้นก็จะได้รับผลมากได้รับอนิสงฆ์มากและขณะเดียวกันตัวพระภิกษุเองเนี่ยนะที่เข้ามาบวชในพระศาสนาเมื่อสมาทานประพฤติข้อปฏิบัติที่กระทำให้สำเร็จความเป็นสมณะ การปฏิบัติของของท่านเหล่านั้นก็จะไม่ไร้ผลการบวชก็จะบวชที่เรียกว่าได้รับอานิสงฆ์มากนะได้รับผลมากมีอานิสงฆ์มากอย่างที่เขากล่าวว่าการบวชเป็นเหตุให้ได้รับผลมากอานิสงฆ์มากไม่ใช่ว่าแอ่เปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มแล้วจะได้รับผลมากอานิสงฆ์มากแต่หมายถึงเมื่อเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มแล้วมาสมาทานข้อปฏิบัติเพื่อให้ได้รับผลมากอานิสงฆ์มากเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายควรศึกษาอย่างนี้ที่ในข้อ460หน้า205ต่อไปอีกว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายก็ทมที่กระทาความเป็นสมณะและทมที่กระทาความเป็นพรามคือข้อปฏิบัติที่ทำให้เป็นสมณะข้อปฏิบัติที่ทำให้เป็นพรามเนี่ยเป็นอย่างไร บอกว่าพวกเธอควรศึกษาอย่างนี้ว่าให้ศึกษาเนี่ยนะคำว่าศึกษาเข า, าเมื่อรู้เมือ่อเห็นเมือ่อพิจารณาเมือ่ออธิษฐานจิตตั้งจิตเพื่อให้มีคุณธรรมเหล่านี้ชื่อว่าศึกษาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเธอศึกษาก็แปลว่าตั้งใจที่ประจัปฏิบัติอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ประกอบด้วยฮีริโอตปะคําว่าศึกษาเนี่ยหมายคําว่าตั้งจิตให้มีฮีริโอตปะเนี่ยบ่อยๆเพราะเมื่อนึกถึงอาวัชนะ อาวัชนะว่าใจของเราต้องประกอบด้วยหิริโอตตปะใจของเราต้องเป็นไปกับหิริโอตตปะใจของเราจะต้องเป็นไปกับหิริโอตตปะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราต้องประกอบด้วยหิริโอตตะปะการตั้งจิตไว้อย่างนี้ชื่อว่าศึกษาก็แปลว่าสมาทานน่แบบใกล้ๆเราสมาทานสมาทานศีลนี่ก็เหมือนกันสมาทานเจริญหิริโอตตปะสมาทานปฏิบัติในหิริโอตตปะเนี่ยนะ ทีนี้มาดูคําอธิบายตามลําดับเนีนะในหน้าสองอยยสิบอตถกาถาการที่พระพิสุเนี่ยนะประพฤติสมาทานปฏิบัติตั้งแต่ฮิริโอตปะเป็นต้นพระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเมื่อบุคคลใดเจริญข้อปฏิบัตินับตั้งแต่ฮิริโอตปะเป็นต้นให้บริบูรณ์แล้วผู้ที่ปฏิบัติตามนี้ได้จะชื่อว่าเป็นสมณะผู้สงบบาป ผู้ที่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่จะกล่าวต่อไปชื่อว่าเป็นพรามผู้ลอยบาปและผู้ที่ปฏิบัติข้อปฏิบัตินับตั้งแต่ฮีริโอตปะเป็นต้นไปจะทำให้เกิดลาบคือปัจจสี่และผู้ที่ถวายปัจใจสี่ก็จะได้รับผลมากได้รับอนิสงฆ์มากและตัวผู้ที่เป็นนักบวชเองก็จะไม่เป็นหมันการบวชนั้นจะมีผลการบวชนั้นจะมี กำไรอันนี้เป็นอ น, นิสงค์ของการสมาทานข้อปฏิบัติเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยแสดงข้อปฏิบัติที่ทําให้สําเร็จความเป็นสมณะก็แปลว่าผู้ที่มีฮิริโอตปะจะสามารถเป็นเหตุให้สงบบาปจะเป็นเหตุให้ลอยบาปและก็ผู้ที่มีหิริโอตปะจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของ ปัจใจสี่ผู้ที่มีฮิริโอตปะผู้ทายกผู้ถวายปัจใจสี่มาก็จะมีผลมากอั น, นิสงส์มากผู้ที่อยู่ด้วยหิริโอตปะการบวชก็จะไม่เป็นหมันการบวชก็จะไม่ไร้ผลการบวชก็จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่เนี่ยนะก็มาค่อยๆฟังคําอธิบายตามลําดับข้อปฏิบัติอันแรกที่จะต้องสมาทานประพฤติเนี่ยนะเพราะคําว่าศึกษาแปลว่าข้อสมาทานปฏิบัติศึกษาไม่ได้แปลว่าฟัง ศึกษาหมายความว่าการสมาทานคุณธรรมเหล่านี้แล้วเจริญเช่นศึกษาเรื่องศีนี่หมายความว่าเจริญศีล ร, รักษาศีลทํากุศลศีลให้มีคุณค่า ม, มากยิ่งขึ้นเรียกว่าศึกษาฉันใดาการศึกษาในฮีริโอตปะก็แปลว่าเจริญฮีริโอตปะทําฮิริโอตปะให้อาพเด็จสถานอยู่ในใจสมาทานข้อปฏิบัติให้หีริโอตปะนั้นเจริญงอกเงยยิ่งยิ่งขึ้นไปมันในหน้า220ส ย่อหน้าบอกว่าฮิริโอตเปนะเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยหิริโอตปะอธิบายอย่างนี้ว่าสิ่งใดอันบุคคลควรละอายแล้วก็ย่อมละอายอันนั้นเรียกว่าอะไรหิริคือละอายในสิ่งที่ควรละอายรู้จักอายใจซะบ้างสิเรียกว่าอะไรนะภาษาไทยเราคุ้นเคยบอกรู้จักละอายใจอะ่ะมันละอายใจเหลือเกินที่จะบางอย่างหรือโอตปะนี่แปลว่าเกรง เรียกว่าเกรงใจอ่ะนะภาษาไทยเรานิยมใช้คําว่าเกรงใจ อ, อ่ะบางทีอายใจที่จะทําอย่างนั้นหรือเกรงใจที่จะทําอย่างนั้นเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าหีริโอตาปะเนี่ยนะฮีริแปลว่าละอายใจโอตาปะเกรงใจหรือเคารพเนี่ยนะฮีรินั้นมีภายในเป็นสมุดฐานหีริแปลว่าเคารพตัวเองเนี่ยนะเกิดขึ้นโดยปรารบภายในตัวนี้แหละ โอต ป, ปะปลารบภายนอกเป็นสมุดฐานเช่นป ร, ราลบผู้มีพระคุณเช่นครูบ า, าอาจารย์เป็นต้นหรือเคารพพระรัตนตรยัยหิริถือตัวเองเนี่เป็นใหญ่เรียกว่าอัตตาธิปไตยโอต ป, ปะนั้นเป็นโลกาธิปไตยฮิริดํารงอยู่ในสภาวะที่ละอายโอตปะดํารงอยู่ในสภาวะที่เกรงกลัวมาดูคําว่าหิริเนี่ยนะมีสมุดฐานภายในเนี่ยเป็นยังไง ก็คือปรารภหนึ่งปรารภโดยวัยของตนโดยคุณธรรมของตนโดยศีลโดยทุดงโดยสุตะโดยความเป็นครูอาจารย์ก็คือพิจารณาว่าตัวเองเนี่ยมีคุณงามความดีอยู่ในตัวอะไรบ้าง น, นะมีความสามารถพิเศษอยู่อะไรอยู่ในตัวมีคุณธรรมอะไรอยู่ในตัวถ้าเราไปทําชั่วแล้วแหมมันไปลบล้างความดีของตัวเองสิ่งเหล่านั้นเนี่ยหมดเลยไม่ใช่หรือคือบางคนเนี่ยเชื่อเลยว่า เราเนี่ยถึงจะรักษาคุณงามความดีปฏิบัติอยู่ในสุนธรรมคุณงามความดีมานานขนาดไหนก็ตามถ้าทำชั่วแค่ครั้งเดียวความดีเหล่านั้นก็ลบหมดเลยคาว่างั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยละอายใจที่จะแบบอะไรนะละอายใจที่จะทำชั่วเพราะเห็นว่าคุณงามความดีที่ตัวเองประพฤติปฏิบัติรักษาเจริญมาเนี่ยยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะไปทาความชั่วเพราะเห็นแก่เล็กแก่น้อยเหล่านั้นไม่ได้เนี่ยนะ ส่วนโอตปะเนี่ยมีสมุดฐานภายนอกเนี่ยนะเรียกว่าเช่นเราฐานะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านับถือพระพุทธเจ้าเราจะทำชั่วอย่างนี้ได้หรืออนนะถ้าเราทำชั่วอย่างนี้ไม่ละอายต่อพ่อแม่บ้างหรืออนนะหรือถ้าทำชั่วอย่างนี้ไม่เกรงใจครูบาอาจารย์เป็นต้นบ้างหรือทำอย่างนี้เนี่ยไม่เกรงใจกาลยานมิตรเพื่อนสัพพมจารีทั้งหลายบ้างเลยเชียวหรือไอการปรารบภายนอกอย่างนี้แหละเรียกว่ามี โอตั ป, ปะเนี่ยนะก็เลยเว้นจากความชั่วบางทีเฮรินี่มีอัตตาเป็นเป็นใหญ่เนี่ยนะเขบอกว่าเออเนี่ยทําบาปนะเราจะทําบาปไม่มีใครเห็นเราอยู่คนเดียวทําไปเลยเนี่ยนะมีใครรู้หรอกอันั้นไม่มีคนเห็นหรอกอะไรท่านไม่ใช่คนเหรอเนี่ยนะลักษณะเนี่ยนะก็คือเคารพตัวเองนะว่าถ้าเราทําแล้วเนี่ยนะตนก็รู้แก่ใจของตนถ้าเราทําอย่างเงี้ยมันเปื้อนบาปมันก็เท่ากับ ย้อมบาปเอาไว้ในใจแล้ววันหลังมันก็ตามหลอกตามหลอนใจของตัวเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันจะไปไหนถ้าเราทําความชั่วก็เหมือนประทับตราหแห่งความชั่วเอาไว้ในภายในแล้วความชั่วเหล่านี้ใครจะเป็นคนรับล่ะนะแค่ว่าเกรงใจตัวเองที่จะต้องไปทําบาปทําอกุศลเพราะถ้าทําบาปไปแล้วตัวเองจะติดเตียนตัวเองได้ไหมไม่มีใครด่าเราเจ็บปวดเท่ากับเราด่าเราหรอกคนอื่นเขาด่าเราแค่คําเดียวถ้าเราคิดมาเก็บมาคิดว่าทั้งวันทั้งคืนล่ะ นนก็เท่ากับเราเนี่ยแลด่าถึงใจด้วยนะเพราะมันรู้จักกันเป็นอย่างดีใช่ไห ม, มก็ด่ากันเพราะฉะนั้นเราไม่เกรงใจตัวเองม่กเลยหรือที่จะทําความชั่วเหล่านั้นส่วนโอตปะนี่ก็เกรงกลัวนะครับเกรงกลัวเช่นว่ า, เ, าเราเธอคุณคิดหรือว่าถ้าทําอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าไม่รู้รู้ไหมนึ่สว่าถ้าเราจะทําความชั่วด้วยกายวาจาใจคิดว่าพระพุทธเจ้ารู้ไหมถ้าเราทําความชั่วด้วยกายวาจาใจเนี่ยนะผู้ที่มีฤทธ รู้ว่าระจิตของผู้อื่นเป็นต้นเขาจะรู้ไหมรู้ถ้าเราทําความชั่วอย่างนี้แล้วเขกว่าผีบ้านผีเรือนเห็นไหมเห็นอันะผีบ้านผีเมืองเห็นไหมเห็นภูมิมะเทวดารู้ไหมรู้เทวดาชั้นจ่าตูมดาวดึงยามาดูสิทธิ์เขารู้เขาเห็นไหมว่าเราเนี่ยทําชั่วแล้วรู้พรหมทั้งหลายเขารู้ไหมรู้พระเรียกเจ้าทั้งหลายเนี่ยรู้ไหมรู้เพราะฉะนั้นเราจะเราไปปกปิดบังอะไรนะพร้นแล้วเราจะทําชั่วทําไม ทำชั่วให้เป็นที่อับอายขายหน้าเข้าไปหรือเพราะอะไรเพราะคนที่ทำชั่วเนี่ยนะหนึ่งตัวเองก็ติเตียนตัวเองได้สองผู้รู้ผู้ที่พิจารณาโดยรอบคอบก็ติเตียนตัวเองได้เข้าไปที่ไหนก็วัวสันหลังว ะ, ว, ะว่าหวานแล้วก็ผว า, ห า, หาเนี่ยนะเป็นคนแค่ว่ามีแผลแค่ว่าปกปิดความชั่วร้ายเลไว้ในภายในก็เป็นคนที่สะดุ้งบ่อยๆเนี่ยนะสะดุ้งเฮือกอยู่เรื่อยๆแล้วก็ ผู้ที่ทำความชั่วทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะคิดหรือว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราทำชั่วแล้วเรานึกไม่ได้ก่อนจะตายพอดีบุญมันจำไม่ได้มันเกิดจำได้แต่พวกบาปทำไงสิ่งที่เราจะทำเนี่ยแมไม่อยากทำแล้วเกินไอ้ความชั่วอันนี้แล้วก็พอใจไม่ที่จะเก็บไปคิดตอนใกล้ตายเนี่ยนะเอาไหมความชั่วนนี้ติดตัวไปใน ชาติต่อต่อไปเพราะฉะนั้นเวลามันให้ผลมันเจ็บปวดนะมันก็ปรารภถึงกรรมปรารภถึงผลของกรรมปรารภถึงวิบากที่ตัวเองจะเสวยต่อไปในอนาคตอันนี้แหละเป็นเหตุให้มีฮิริโอตตะเนี่ยนะรู้เลยว่าอันเนี้ยผลผลิตผลลัพธ์ออกมาต่อต่อไปจะเป็นอย่างไร